อยู่ในกรอบอยู่ในรูปแบบของธรรมวินไนแม้นเรายังเป็นผู้ปฏิบัติก็เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วหลายๆอย่างที่ช่วยเราธรรมวเวนไนระเบียบต่างๆวัดต่างๆมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปพร้อมๆกันตรงไหนที่มันจะไม่มีศีลเรามีศีลลงไปไหนที่มันจะเกิด ความล่มเหลวเงีนเนยบโคลนแคลนเรามีสมาธิลงไปตรงไหนที่มันเป็นเขโก้สับสนวุ่นวายมีปัญญาลงไปขณะที่มีสติมันก็มีความหลงมีสติลงไปให้มันตรงกันข้ามปฏิบัติไม่ใช่ทะนุถนอมเอาไปใช้เลยการปฏิบัติไม่ใช่ถนอมไม่ใช่ย่องย่องมันเป็นการลุยๆสักหน่อย ตรงไหนที่มันจะพูู้แฟบแฝบนิ่งลงไปคิดใจตรงไหนที่มันจะทะเยอทยานลงไปเอาระเบียบต่างๆเข้าไปประดับตกแตง่งเหมือนกับมีรถไม่ลาใช่รถใช่ลาใช่ในเวลามันจะผิดรถลถ้ามันดีมันมีคุณภาพตรงไหนที่มันมีหลุมมีบ่อมันจะพยายามใช้โซกใช้อับใช้แนบใช้ การขับหยอดหลุมคนขับรถก็ต้องหยดหยอดหลุมรู้จักเปลี่ยนเกลียอึนเขาลงเขาไม่ใช่ว่าจะไปแบบเดียวคนขับรถคนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคนขับรถศีลสมาธิปัญญามันมีให้เราใช่เราใช้ศีลใช่สมาธิใช่ปัญญาใส่ความเชื่มแข็งใช่ความเพียรใช่สติ ใจความอดทนไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างปฏิบัติธรรมไม่ใช่ดุมดุ่มลนดรมีหลายอย่างที่สนับสนุนเป็นกองเคียทำให้เราผ่านพ้นไปหลายอย่างทำให้หลุดให้พ้นทำให้มีทำให้ไม่หมดไปความหลงมันเกิดขึ้นทำให้ความหลงหมดไปนี่ว่าปฏิบัต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 เราได้ทําเสียงที่มันทุกทําให้ไว้ทุกขนั่นแหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่มีสติเรื่อยๆไปปลูกเรื่อยๆไปปลูกเรื่อยๆไปหลังจากเราสร้างอะไรสร้างป่าปลูกป่าตรงไหนที่มันโลกล่างว่างเปล่าเราก็ปลูกลงไปผลปลูกป่าเป็นการพูดแบบง่ายๆแต่ว่ามันมีอยู่ตรงนั้นหลายอย่าง ปลูกเราก็รักษาเราก็ดูแลจัดสรรกับตัวเองลําดับนั่นจึงจะเกิดป่าเหมือนหลวงพ่อปล่อยให้ต้นไม้มันตายไปต้นหนึ่งนะแสดงว่าไม่เป็นนักปลูกป่าเวลาปลูกลงไปแล้วก็ถ้ามันแห้งแล้งมันเหี่ยวต้นไม้วางต้นมันก็อ่อนแอต้องช่วยตอให้น้ํามันต้องดูแลมันต้นไม้บางต้นมันก็ไม่อ่อนแอพอปลูกขึ้นมาขึ้นเลย ก็มันจึงจะเป็นการปลูกป่ามันจึงจะเป็นป่าขึ้นมาก็ลําดับตามการตามเวลาเดืนปีนี้เราหดสะโลงไปหมดเลยวันนี้เราก็จัดการกับตรงไหนที่มันโล่งให้มันมีต้นน้อยเกิดขึ้นกาลังเกศเสร็จแล้วกําลังเกศเสร็จแล้วเหลืออีกไม่กี่ต้นการปลูกสติก็มนกันตรงไหนที่มันอ่อนแอมัน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 แต่ตื่นจนหลับไม่เวลาหลับมันยังปฏิบัติธรรมนะถ้าเราฝึกจนเป็นจรินิสัยนะอาจเป็นเป็นนิสัยสักหน่อยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่รอชั่วโมงนั่นชั่วโมงนี้นิสัยเรานิสัยที่จะลู่ไปเรื่อยๆป่อยเรื่อยๆแต่จะไปแบบเติ้ลก็ดีค่อยๆไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มั่นคงไม่เหมือนปฏิบัติธรรมเหมือนกัดตาย พอถึงเวลาวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาพอถึงเวลาขี้เกียจก็หยุดเอานอนเออลงเอาหลงเอาหลงเอาหลงเอามันก็ไม่มีค่ามันก็หมดได้มันเสื่อมได้จะไปแบบเต่าคานไปเรื่อยๆไปรูปไปเรื่อยๆไปแต่ว่าหนักแน่นดีอาจจะไม่โหมอาจจะไม่เดินจนเงยไหลเคยย่อยอาจจะไม่นั่งจนหลังคลหลงงอ หพ่มกับการใช้ชีวิตไปกับการมีชีวิตเพิ่มกับการใช้ใช้ชีวิตไปกับงานกับการลําดับลานำมีสติมีงานมีการตื่นขึ้นมาเอาอะไรไมีสติโลภลุอาจจะดื่มน้าห้าแวก็ตื่นขึ้นมาก็ดื่มน้ำห้าแว้วเอาห้องนา้าห้องถ่าเก็บสิ่งเก็บของติดคนแจ หน้าต่างปิดประตูหน้าต่างไปให้มันถูกต้องอย่าภาวะผวงตรงไหนที่มันภะวะผวองเสริมให้เกิดความรู้แป้นยำชัดเจนอันนี้ปฏิบัติทำหลายหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไปพร้อมๆกันการนุ่งห่มผ้าก็ไปพร้อมๆกันการถือบาทการอุ้มบาทก็ไปพร้อมๆกันก็ให้มันงดงามไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่แบบพื้นแบบแสแส้งแกล้งครับภายในมันเป็นแล้วมันจึงเป็นภายนอกการปฏิบัติทำมันไปหลายหลายอย่างพร้อมๆกันไปความหลุดพ้นกับพร้อมกันไปนั่นแหละตรงไหนที่มันขวงกันก็เพื่อให้เกิดการหลุดพ้นตรงไหนที่มันล่มแล้วทําให้เกิดความเข้มแข็งอยู่ด้วยกันโดยเพราะเรื่องกายเรื่องกิจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น จะไปเอาเรื่องอื่นมาเป็นเจนความหลงแม้มันจะมีเรื่องอื่นก็เิ่งเอาไว้เช็นเวลาเราทำสมาธิเสียงโกก้าโกกาเสียงไฟอื้อนิ่มมันเจงตรงนั้นนะไม่ใช่เพราะไมอะไรเกิดที่จะรุ่มเร็ววันไหวไม่ใช่นิ่งตรงนั้นนะไเสียงอะไรที่มันทำให้ตก อ, อกใจทำให้ขาดสติขาดสมาธิเพิ่มลงไปมันจะมี ความเก่ง EN, เป็นประโยชน์ตรงนั้นไม่มีอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงแต่นักปฏิบัติจริงๆมันมีงานมันเป็นการให้เราทำในเวลาขณะที่มันจะหลงทำให้ไม่หลงทำให้จิตใจหนักแน่นตรงที่มัน air. อ่อนแอปฏิบัติทำเป็นอย่างนั้นมันจึงจะมีคุณภาพถ้าไม่เค่นั้นไม่มีคุณภาพ จะไม่เก่งเวลานั่งยกมือสร้างจังหวะจะไม่เก่งในขณะที่เดินจงกรมเพราะตัวยังถนอมของดีมันต้องไม่ถนมต้องเอาไปใช้ของที่มัคุณภาพต้องเอาไปใช้นําไปใช้มันจะมีคุณภาพตอนที่ใช้แล้วมันไม่เสียหายจะใช้เป็นด้วยของที่มันดีอยู่กับเราใช้ด้วยเช่นสมาธิดีแล้วก็ต้องใช้สมาธิในทุกกรณี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 วิปัสนาเนี่วิตัเนคือมันพัฒนาวิเศษอยู่ทุกทุกอย่างเวลาใดควรที่ไม่ศีลเวลาใดไม่วินัยระเบียบวินัยวินัยกันวิก็วิเศษในเยอะกันาไปนำไปเรื่อยการปฏิบัติธรรมนำไปเรื่อยๆสู่ในเยอะวินัยนำไปสู่ความหลุดพ้นนำไปสู่ทางวิเศษ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 วัปฏิบัติตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่เต็มสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิทำใจแล้นัง่งฟังธรรมมันจะไหลไปไหนมันก็ปฏิบัติไปนั่นแหละโว้เงาหอนอนปฏิบัติไปปกตัวยังให้ตื่นอยู่เสมอรู้ตัวยังให้รู้เสมอยิ่งพวกเราเคยเป็นคารวะญาจโจูมา เคยเปืเคยเพื่อนเคยเป็นจริตนิสัยอย่างไรมาแล้วค่ะจริตโทสจริตโมเหจริตอะไรมายิ่งดีน ะ, ะยิ่งดีบางคนพูดว่าโอ้ผมยังมีกิเลสมากยังปฏิบัติไม่ได้โอ้เขาพูดแบบไม่รับผิดชอบอะไรยิ่งดนะียิ่งดีเพราะเราจะได้พัฒนาพัฒนา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 จำเป็นมากมากการมีชีวิตเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงพอมาเจริญสติทูควอมคิดมันไหลมาปทัทธุเรามีงานไม่การแล้ววันนี้แสดงว่าเรามีงานแล้ววันเนี้ยทํางานอันนี้ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไม่มีงานไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่พอมาสร้างสติดูซิอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติมันมีเยอะ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 ลอยมันหลงแล้วก็รู้อยู่มันเป็นงานเป็นการเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เน่ยไม่มีอะไรที่จะสมน้ำสมเนื้อเท่ากับงานแบบนี้เออสมน้าสมเนื้อให้ว่าอย่างนไรเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลเหมือนชาวนอยชา ว, ชาวรลอยเออปีนี้มีมรรคไม่ผลได้ข้าวปลาอาหารเต็มมรรคเต็มผลชาวลอยชาวสวนผ่อข้าเอาําลอยเขาข้าขายเข า, ขา เอ้เป็นมอกเป็นผลหลวงพอ่อไปไปเที่ยวหลายประเทศมีกำไรดีมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ล่มเหลวไม่มีคำ ว, ว่าล่มเหลวการปฏิบัติธรรมนะล่มเหลวมันเรื่องอื่นต่างหากนักปฏิบัติหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมกายใจของเราเนี่ยไม่ใช่มันล่มเหลวตรงนีนเคยมีคนมาสัมผัสหลวงพอ่องานหลวงพอ่อ มันร่มเร็วรักษาป่ารักษาสัตว์ป <Okay. S 1> ่าไม่ม <urs> ีส <Method> ักตัวตอนนี้รักษาต้นไม้ก็ไปแล้วหมดแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเกินครึ่งไปแล้วต้นไม้ต้นโตโตถูกตัดถูกทำลายไปหมดสิ้นเลยแต่ว่าหลวงพ่อไม่ร่มเร็วไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราเป็นคนทำผิดเองจริงจะเป็นการร่มเร็วเราไปฆ่าสัตว์ แมแต่เขามาหลอกหลวงพ่อกินเนื้อเก้งเนื้อกวงหลวงพ่อก็ไม่กินเพราะหลวงพอรู้เขามาหลอกให้หลวงพอ่อฉันเนื้อหมูป่าหลวงพ่อก็ไม่ฉันเพราะรู้จักต่อไปปลาตัวใหญ่อาจจะเป็นปลาสุกโตอาจจะไม่ฉันปลาแต่ข่าวว่ามีปลาตัวใหญ่แล้วอาจจะไม่ฉันปลาตวัวใหญ่จะฉันปลาตัวเล็กหรือเป็นอย่างนั้นไม่ล่มเหลวชีวิต่ต่อแต่ว่างานมันล่มเหลว มันก็ยิ่ภูมยใจเออเราก็หมดแล้วเอามือเคาะหัวเขาอู้หูไม่ใช่ความผิดของเรารู้แล้วมันคนหลายคนนู้นเราขอมือเคาะหัวเขามั่นใจอยู่ตรงนั้นต้อไม่ได้ทําผิดเพราะกายเพราะใจของเราแม่ั้นจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเหรื่องเป็นราแล้วก็ตามมือเคาะหัวเขามือเคาะหัวเขาแบะบมือออกกามือไว้เคาะหัวเขาไม่ใช่ความผิดของเรา อันนี้ปฏิบัติธรรมมันต้องมั่นคงนะเราอยู่ตรงไหนอะไรก็ตามไม่จะเป็นจะตายมันเกิดขึ้นกับรูปกับนามจะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราฟองอย่างในความไม่เที่ยงก็มีอยู่เรื่อยไปแฮ่เราไปเรื่อยไปฟองอย่างที่มันเกิดขึ้นกับอะไรมันก็เป็นทุกข์มัก็เหตุไปในความไม่เที่ยงก็ให้เรามั่นใจในความเป็นทุกข์ก็มั่นใจในความไม่ใช่ตัวตนมันไหลไปของมัน แต่ก่อนเคยเดินยุวยรอบวั ด, ดนะนี่ไม่ค่อยยุวยเท่าไรแล้ยกันไม่ว่าจะไปปลูกต้นตาลคันโคสะก็ยังรอรถจานงวนอยู่ว่าจะไปเอาต้นไม้ต่างๆก็ไม่ไม่ค่อยไปแล้วต้องรอพอนนี้เมื่อวานเนี่ยคนอะไรมาเลยปะ่ะพาหลวงพ่อไปเอาต้นไผ่ป่หลวงพ่อไปเอาต้นต้นธมมาปลูกตรงนี้บ้างเออก็ได้อ๋อเขาจะไป หายปลาถานนเออบอกการเกษตรปะ่ะพาไปด้วยนะมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะไม่ใช่ล่มเร็วเราไม่ล่มเร็วแต่ความไม่เที่ยงความโรยไหลของสังขารบางอย่างเราก็รู้เราก็ไม่ใช่ความล่มเร็วของเราไม่ใช่ความล่มเร็วเราไม่ล่มเร็วนนัจึงปฏิบัติทํามมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นกอบเป็นกรรมสมกอบสมกรรมมีจริงๆเก็บไว้ กรรมไว้มันก็ใช้ได้อจริงๆเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาทํางานมือเปา่าไม่กายไม่ใจมาเปล่าๆพอมาทําขึ้นมาเกิดเมื่อเกินผลเกิดที่กายเท่ใจเลิกสุบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกโง่หลง ง, ง, ง่งไรเป็นกอบเป็นกรรมเลิกทุกข์เลิ ก, ก, ลกไม่มีอะไรต่างๆเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมากอบกรรมของมรรคของผลเนี่ยมันไม่มีอะไร ถ้าจะว่างก็ว่างถ้าจะเต็มก็เต็มอยู่ในลักษณะเดียวกันว่างจากความหมายความเป็นตัวตนเต็มไปด้วยสติสมัญญาความรู้สึกความระลึกได้เขามีอะไรก็มีไปเถอะเราได้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยนะหลักของเรามาอยู่ตรงนี้แล้ววิเศษแล้ววิเศษแล้วนะวิจิตจริงๆรการปฏิบัติธรรมนี่แหะงานมนุษย ไปใช้งานของพวกอบายภูมิเขาก็สเสวยวิบากกรรมของเขาเป็นโทษเป็นโทษงานเขาพูดต้องเป็นมนุษย์โซ่สิเป็นมนุษย์เลยอย่างว่าเป็นมนุษย์ลงไปลเลยเหมืนเอาความชั่วไว้หลังแล้วมุ่งสู่ความดีข้างหน้าพระตันตนาใจเป็นธงชยัยงานมนุษย์เมื่อเราเข้ามาบวชถามว่ามนุษย์โซ่สิ เป็นมนุษย์หรื อ, อยังอามะพันเตเป็นมนุษย์แล้วเออไปแล้วบ้านะเอาความชั่วไวหลังแล้วบ้านะความดีไม่เจอเราไปวิเศษเท่าไรไปบวชตามหลบแบบใส่ใจมาตั้งใจมาบางทีก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮัดโกนผมผมเขาเอาคนหมอหมอจากพวาลาออกจอากงานแล้ววะเรามาบวชแล้วบวชต่อไป แ, แสดงว่าบวชแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้โกลผมแล้วคิดแล้วนะเป็นั่แหละไปตามกระแสกระแสมันแม่แสมักผลในผ่านกระแสบุญมันแม่ไป้เลนะอ่คือไม่ศรัทธานี่ยบางทีก็ลางานลาการมาโลกหลานบวชใหม่เอ า, างานลาการมาเอ็อน้องซ่องซจ้าฉลเสริญ เป็นห่วงติดตามมาดูอยู่ได้หรือเปล่าอู้กลัวทำไมตรงไหนที่มันลำบากเราต้องลุยมันสักหน่อยไม่ใช่อ่อนแอต่อวัหนึ่งเคยอยู่ที่ไีนเคยไม่พระล้มลตามาจากอำเภอหนองสองห้องแต่มาอยู่กับพ่อนีนแล้วเออมาๆแต่ว่นั่นอยู่คนเดียวพอมาแล้วก็เจอกันไปเคยกันมาคว่าปุรีออกมาสูบอุย้ยสูปุรีจังเลย ที่นี่ไม่ได้สวบุรีนะบุรีใส่ยาา่ามพอเออเช่นอ่ะเออผมจะไปเยี่ยมอ่าบ้านญาติชั่งหน่อยอยู่เนี่ยใก ล, ใกล้ๆวัดนะพ่อข่วงเป็นญาติกันเออเนี่บ้านพ่อข่วงอยู่ใกล้ๆเนี่ยเออเลยไปพายย่ามไปพายบาทไปไม่ออกมาเลยปัปไม่ออกมาวัดเลยนอนอยู่ในบ้านบ้านกําลังเล่นหนอนนอนอยู่ใต้เล่า บอกให้ออกมาไม่ออกมาไปเลยแนะยงกูรีเดยไปเลยกลัวแล้วกลัวเลวไม่ไหวเลไม่ไม่ไหวอนะวนะอย่าล้มเหลวอย่างนั้นนะพวกเรา